เราถามสองนแล้วนะดังที่ได้กล่าวแล้วว่าผมจะหาเวลาไปกราบหลวงตาทุกอาทิตย์ถึงแม้ว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ต้องใช้เวลาถึง 7-8 ชั่วโมงผมออกจากกรุงเทพเวลา6นากานาทีกะให้ถึงวัดป่าบ้านตาดเวลาบ่ายสองโมงซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่ท่านกลับมาจากเยี่ยมโรงพยาบาลหรือวัดและได้พักผ่อนจนหายเหนื่อยแล้ว จึงเข้าไปกราบท่านที่กุติผมจะคอยซุ่มเงียบตรงทางเข้ารอจนกว่าท่านจะออกจากห้องพักพรและจึงค่อยๆ ย, ย่องไปกราบท่านในกุติกราบขอฟังธรรมจากท่านเพียงห้านาทีตามสมควรแล้วลากลับเข้ากรุงเทพทันทีผมขอให้ได้มีโอกาสเข้ากราบท่านไม่ว่าต้องรอเป็นเวลานานเท่าไรขอเพียงได้มองท่านก็ชื่นใจอย่างที่สุดแล้วจึงไม่เคยย่อท้อต่อการเดินทางเลย ทุกครั้งที่ออกเดินทางจากกรุงเทพผมจะตั้งใจอาราธนาบารมีของหลวงตาไว้เหนือกล้าเพื่อคุ้มครองตลอดการเดินทางทั้งไปและกลับโดยการขับรถด้วยตัวเองพร้อมกับเพื่อนร่วมเดินทางขาประจํามีทั้งพี่กรมบรรณศาลาและพี่สุวรรณเจ้าพ่อรถใหญ่สุกเกษทรัคนครราชสีมาเราเดินทางร่วมกันด้วยความตั้งใจอย่างเดียวกันคือขอไปกราบหลวงตาที่เรารักเคารพเทิดทูน พ่อของผมถามทุกครั้งว่าใครขับรถมาให้เมื่อท่านทราบว่าขับมากันเองท่านก็มองหน้าผมด้วยความเป็นห่วงต่อมาน้องชายที่นับถือกันมานานตั้งแต่เด็กก็จัดคนรถมาขับให้ทั้งไปและกลับในวันเดียวเมื่อปลายเดือนกันยายนสอ5ห้พวกเราทั้งหมดได้ขึ้นไปกราบหลวงตาเช่นเคยท่านถามอีกว่าใครขับรถมาให้ผมกราบเรียนท่านว่า วันนี้มีคนขับรถมาให้แล้วครับไม่ได้ขับมาเองท่านหันมาดุผมด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าเราถามสองครั้งแล้วนะเรื่องขับรถมานี่นะเป็นหวงเลึกๆอยู่ในอกนี่นะอายุมากแล้วการตัดสินใจสู้คนหนุ่มไม่ได้แม้หลวงตาจะคุ้มครองผมทั้งไปและกลับให้รอดปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้ก็ตามแต่ท่านก็ยังเมตตาเป็นห่วงผมท่านเตือนอยู่เสมอว่าอย่าประมาท ผมกราบท่านด้วยความตื้นตันใจถึงความห่วงใ ย, ยที่ท่านมีต่อผมและคณะเหมือนพ่อที่มีความห่วงใ ย, ยต่อลูกๆในครั้งต่อๆมาที่ไปกราบท่านท่านถามทุกครั้งว่าใครขับรถมาให้พร้อมกับมองหาคนขับรถเพื่อความแน่ใจหลวงตาท่านไม่ได้ห่วงผมเป็นพิเศษแต่อย่างใดแต่เป็นความเมตตาของท่านที่เผื่อแผ่ไปทั่วทุกคนแม้กระทั่งในความฝันฝันนั้นชัดเจน เมื่อลวงตามาประจักษ์อยู่ต่อหน้ามีความรู้สึกอบอุ่นแม้แต่กลิ่นหมาของท่านก็ยังลอยอวนอยู่จนตื่นขึ้นในรุ่งเช้าผมกราบท่านลงกับหมอนไม่เชื่อว่าผมฝันไปผมมีความรู้สึกว่าได้อยู่กับท่านรับสัมผัสได้แม้จนความอบอุ่นจากกายท่านผมได้สัมผัสท่านในความฝันจนผมแปลกใจว่ามันเป็นความฝันหรือเป็นความจริง ผมเดินทางขึ้นล่องกรุงเทพกับวัดป่าบ้านตาดจนคุ้นเคยกับผู้คนตลอดรายทางตั้งแต่ปั๊มน้ำมันร้านอาหารด่านตำรวจทุกด่านที่คอยดักตรวจจับรถต่างๆด้วยข้อหาที่ไม่อาจคาดเดาได้บางครั้งที่ถูกเรียกให้หยุดรถก็ต้องบอกว่าจะไปหาหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดด่านจากโคราชจนถึงขอนแก่นมักบอกว่าไม่รู้จักแล้วก็แจกข้อหาสารพัด จนต้องยอมจ่ายค่าน้ำชากาแฟอยู่เสมอเสมอแต่ดานตั้งแต่ขอนแก่นถึงอุดรธานีหมักยอมปล่อยให้ผ่านได้ไม่ต้องรับแจกใบสั่งหรือเสียเงินแต่บางครั้งท่านตำรวจก็ตอบกลับมาว่าหลวงตาไม่เกี่ยวพระก็อยู่แต่ในวัดผมก็ต้องเสียค่าผ่านทางร้อยถึงบาทบางครั้งก็ต้องเอาหนังสือหลวงตาที่ติดรถให้ท่านตารวจไป